วันเราตื่นแต่เช้ามึดนะเพื่อมาทำวัดสดมนต์ เ, เช่นเดียวกับตอนเย็นก็มาทำวัดสดมนต์บทสวดมนต์ก็มักจะเป็นบทเดิมๆก็สวดเช่นนี้นะวันแล้ววันเล่า ในระหว่างวันเราก็ปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในเอเรียบทเดิมๆทาเช่นนี้วันละหลายชั่วโมงยกมือสร้างจังหวะวันหนึ่งก็ เป็นพันเป็นหมื่นครั้งเดินจงกรมก็เดินกลับไปกลับมาเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวทุกวันเราก็ทำปิติวัต์ซ้ำๆกันอย่างนี้หลายคนจจะรู้สึกว่ามันซ้ำซากแล้วก็จำเจแล้วก็ผ่านให้ เบื่อกับการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตในวัดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะมองว่ามันเป็นความซ้ำซากนะหรือไม่ควรรู้สึกไม่ดีกับความจำเจยอย่างนั้น มันอาจจะซ้ำเดิมนะแต่ว่ามันไม่ได้ซ้ำซากบทสวดแต่และบทแม้เราจะสาธยายมาครั้งแล้วครั้งเล่า ว, วันแล้ววันเล่าถ้าเราทำใจของเราให้เป็นปัจจุบันรับรู้ถึง บทสวดแต่ละบทแต่ละบทเราจะพบว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ตัวแตามาบทสวดมนมาซ้ําแล้วซ้ําเล่านี่เป็นคงจะเกือบหมื่นครั้งแล้วมั้งแต่ก็ยังมีอะไรใหม่ๆให้ได้คิดให้ได้เรียนรู้จากบทสวด มันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจของเราให้รับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันด้วยความรู้สึกสดด้วยความรู้สึกใหม่หรือเปล่าถ้าเราสวดไปเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองนะปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนมันก็คงจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนอกจาก ช่วยให้ใจเนี่ยไม่ไปคิดในทางกุศลหรือว่าทำให้กายวาจามันไม่ทำชั่วที่จริงการเพียงแค่รักษเพียงแค่ทำวัาสวดมนต์นี้มันก็ช่วยให้เรารักษาศีลได้ครบทีเดียวเลยนะเพราะว่าพอเราสวดมนต์เรารักษาศีลเนี่ยจะไป ค่าไขรก็ทำไม่ได้นะจะไปลักทรัพย์จะไปประพฤติผิดในกามจะไปโกหกหรือว่าจะไปดื่ม น, น้าเมาเนี่ก็ทำไม่ได้สี่ห้ามมันครบในค่าที่เราสวดมนต์รวมทั้งในค่าที่เดินจงกรมสร้างจังหวะด้วยแต่ว่าถ้าเราตามใจของเราให้เป็นให้อยู่กับปัจจุบัน รับรู้ประสบการณ์ต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันด้วยความสึกสดด้วยความรู้สึกใหม่เนี่ยเราจะได้อะไรมากกว่า น, นั้นนะเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเดินเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าถ้าเราเดินยังมีสติใจอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ใช่ของเก่ามันจะไม่ใช่ของเดิมนะแต่และเที่ยวนะ มันจะเป็นประสบการณ์ที่ใหม่อยู่เสมอยกมือสร้างจังหวะก็เช่นเดียวกันนะแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะถ้าจเราอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ใช่เป็นของซ้ำๆมันจะเป็นของใหม่จะได้สตินะเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาให้เราอย่าไปรังเกียจนะอ่า กิจวัตรที่ทำซ้ำๆมันไม่ใช่วอะไรประโยชน์ที่จริงเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้ก็เพราะการทำซ้ำๆเราหายใจเข้าหายใจออกทั้งชีวิตทั้งชาตินี้ไม่รู้กี่ล้านครั้งมันก็มีแค่สองจังหวะเท่านั้นแหละคือเข้ากับออก ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบว่ามันมันมีแค่นี้เราอยากจะให้มีจังหวะใหม่นี่อันนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราต่อชีวิตของเราด้วยซ้าถ้าหัวใจของเราเนี่ยซึ่งมันทำให้เราอยู่รอดได้ก็เพราะมันเต้นนะมันก็เต้นเป็นจังหวะซ้ำๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรใหม่เลย แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดเต้นผิดจังหวะหรือมีจังหวะใหม่ๆนี่อันตรายแล้วนะเดือดร้อนแล้วเราต้องขอบคุณนะขอบคุณหัวใจที่มันเต้นจังหวะเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องขอบคุณลมหายใจที่มันหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรที่ใหม่ไปกว่านี้หรือแปลกไปกว่านี้เพราะถ้ามันขืนทําอะไรที่ใหม่กว่านี้แปลกกว่านี้ก็ อาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้นั่นหมายความว่าเกิดความเจ็บป่วยขึ้นล้วชีวยเราอยู่รอดได้เพราะเรากินอาหารนะก็กินแต่ข้าวสมัยก่อนก็มีแต่ข้าวก็กินข้าวทุกวันทุกวันก็ไม่เห็นมีใครบ่วนว่ามันซ้ำซากจำเจแต่ตอนหลังก็ดีหน่อยนะ มันก็มีขนมปงังมันมีก๋วยเตี๋ยวมีหลังอย่างอื่นเข้ามาแต่แม้กระันนั้นเราก็ยังหนีไม่พ้นที่ต้องกินเช้ากินกลางวันหรือโยงก็กินเย็นด้วยก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้ก็เพราะที่มันทำซ้ำๆเนี่ถึงให้ทำให้เราอยู่รอดได้ ไม่ใช่แต่การดวนชีวิตนะที่เราต้องอาศัยพึ่งพาการทาซ้ำๆการเรียนรู้การศึกษาก็ต้องอาศัยการทำซ้าๆเป็นจุดเริ่มต้นเราลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบหรือเด็กอนุบาลเราเขียน หนังสือได้อย่างไรเราเขียนหนังสือเป็นตัวได้อย่างไรกอรไก่ขอไข่ก็เพราะเราขีดเขียนตัวหนังสือเนี่ยซ้ําไปซ้ํามานึกภาพออกไหมตอนเป็นเด็กนี่กองไก่นี่มันมันโยหน้าโยนหลังยังไงบ้างแต่ในส่วนเราก็เขียนถ้าเป็นตัวได้เพราะละไรเพราะเราทำซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอี ก, อกไม่ใช่ร้อยครั้ง อาจจะเป็นพันครั้งหรือหมื่นครั้งไม่ใช่แค่เขียนกอไก่ขอไข่แต่การเขียนเป็นประโยคหรือว่าการท่องสุดครูนนะเราก็ทํำเราก็ท่องซ้ําไปซ้ํามาทําซ้ําๆให้การศึกษาการเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกทักษะที่ใช้มือ หรือว่าการใช้หัวมันนี้ไม่พ้นที่ทำซ้ำําๆภาษาอังกฤษนี่กว่าเราจะมีความรู้ได้เราต้องทําแบบฝึกหัดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งอาตมาจําได้เลยนะตอนที่จะสอบเข้ามาาหาวทยาลัยนี้ต้องทําแบบฝึกหัดนี่จับนับนับได้เลยนะ ประมาณเกือบห้าพันข้อภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะแบบฝึกหัดทำสามทำสามจบจบแล้วประมาณพันห้าพันหกทำซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งได้คำตอบหรือได้คะแนนที่น่าพอใจจากการทดสอบของตัวเองก็ทำให้มั่นใจว่าเออถ้าสอบข้อหมายจลไหนี่ไม่พลาดแต่ ก, ก่อนที่จะ มาถึงตรงนั้นมันก็ทำแบบฝึกหัดมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่ตั้งแต่ป .1 ถึงม .2 ห้านี่ก็ไม่รู้กี่พันข้อแล้วอาจจะเป็นหมื่นข้อแล้วก็ทำซ้ำๆชีวิตเราเป็นนี่บุญคุณการทำซ้ำๆนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำของร่างกายอวัยวะต่างๆในตัวเราหรือว่าการที่เราได้ใช้ความเพียรทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้ ว, ซ, ลวซ้ำเล่า มาถึงการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะเรานี้ไม่พ้นนะที่ต้องทำซ้ำๆอย่าไปรังเกียจน ะ, ะยุคนี้เป็นยุคที่ชอบของใหม่นะชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมออยู่นิ่งไม่ได้เวลาเราดูภาพในจอโทรทัศน์นี่ไม่จะเป็นภาพโฆษณาหรือภาพหนัง ภาพมันแช่ไม่เกินห้าวินาทีแล้วมัก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้ถ้าภาพแช่เกินห้าวินาทีถือว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องให้เหลือสองวินาทีสามวินาทีแล้วก็เปลี่ยนนะคนที่คุ้นคนที่เกิดมาแบบนี้คุ้นกับอ่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยนะก็จะทนอะไรซ้ำๆแค่สิบวินาที หรือว่าสิบนาทีไม่ได้ก็จะเริ่มกระสับกระส่ายแล้วหรือว่าไม่ไงั้นก็จะถ้าทำนานกว่านี้ก็จะง่วงนอนไปเลยแต่ว่าอาการชัยจุ้ยของเราในที่นี้นะเราต้องการหลุดออกมามันจะช่วยทำให้เราหลุดอ อ, อกมาจากสภาพที่ชอบยึดติด ก, กับความใหม่ๆจนลังเกะความ ซ้ำเดิมมองว่าเป็นความซ้ำซากจำเจไปปรับใจของเราให้พึงพอใจหรือเห็นประโยชน์ของความซ้ำเดิมพอชีวิตทั้งทางกายและก็ทางใจของเราเนี่ยต้องพึงพาสิ่งเหล่านี้อย่าไปรังเกียจความซ้ำเดิมความจำเจมันมีคุณประโยชน์มาก แล้วมันจะไม่ซ้าเดิมมันจะไม่ซ้าสร้างถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะได้สัมผัสรับรู้อารมณ์ใหม่ๆอยู่เสมอทั้งภายนอกและภายในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอารมณ์ต่างๆความคิดนึกต่างๆนี่มันก็ไม่ได้ซ้าเดิมนะแม้จะคิดเรื่องเดิมแต่ว่ามันมี มันไม่ใช่ตัวเดิมมันเป็นของใหม่มันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับไอ้ที่คิดเมื่อวานกับวันนี้มันคนละตัวกันแล้วหรือถ้าคิดเมื่อสักครู่นี้เมื่อห้านาทีที่แล้วกับตอนนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวินาทีที่แล้วกับตอนนี้มันคนละอันกันแล้วเหมือนกับแม่น้ํำนะที่ไหลอยู่ต่อหน้าเรามันเป็นใหม่มันเป็นของใหม่อยู่เสมอ มันมีนักปราดกรียคนหนึ่งบอกว่านี่ไม่มีใครที่จะเหยียบท้าวเหยียบเหยียบลงไปในน้ำสายเดียวสองครั้งได้ไม่มีใครที่จะหย่อนเท้าหรือเหยียบท้าลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันได้สองครั้งมันจะได้แค่ครั้งเดียวอีกครั้งต่อมาที่เหยียบนี่ไม่ใช่แม่น้ำสายเดิมแล้วเป็นของใหม่เงินทอดจะว่าไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ซ้ำเดิมนะมันมีแต่ของใหม่เสมอ แล้เราจะคิดดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเดิมก็ตามจริงอยู่นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไปซ้าๆแล้วมันเบื่อนะความเบื่อนี่ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติจำนวนมากแต่ก็อย่าไปผลักสายความเบื่อนะอย่าไปรังเกตยความเบื่อที่จริงควรจะพอใจด้วยซ้านะ ที่มันมีความเบื่อเพราะความเบื่อมันเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตเราเนี่ยราบเรียบไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคนรักของเราตายนี่เราจะยังเบื่ออยู่ั้มไม่เบื่อแล้วมันกลายเป็นความเศร้ามาแทนที่ถ้าเราถูกด่ามันจะยังเบื่ อ, อไหมความเบื่อหายไปความโกรธมาแทนที่ ถ้าเราถูกนอมร้อนลวกนะถูกของแหลมทิ่มถูกงู ก, กัดนี่มันจะยังเบื่ อ, อไหมความเบื่อมันหายไปแล้วมันมีความปวดแล้วก็มีโทสะมาแทนที่หรือความกลัวได้ซ้ำอาการที่เรามีความเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยมันปกตินะมันราบเรียบมันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา กับตัวเรากับจิตใจของเราเลือกเอานะระหว่างความเบื่อความโกรธเราจะเอาอะไรนะระหว่างความเบื่อนะกับความเสียใจนะเราจะเอาเอาอะไรให้มองให้ดีนะไอ้ความเบื่อเนี่ยมันมันแสดงว่าชีว์เรานะยังปกติอยู่ไม่มีความสูญเสีย นะไม่มีความเจ็บปวดไม่มีใครมารกระทำทั้งด้วยวาจาหรือด้วยาการลงไม้ลงมือเมื่อ้วก็ตามที่มีความเบือ่อนั่นหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีเหตุร้ายเพียงแต่ว่ามันราบเรียบเกินไปแม้กระนั้นก็ต้องขอบคุณ แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าหากเราปฏิบัตินะด้วยการวางใจให้เป็นเนี่ยมันก็จะไม่เบื่อได้ซ้าเพราะว่าแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นของใหม่อยู่เสมอและมันอาจจะมีบางขณะนะที่ทำให้เราเกิดปิ้งขึ้นมาว่าบขึ้นมา เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดปัญญาสว่างวาบขึ้นมาขณะนั้นเป็นตอนไหนเราไม่รู้บางท่านก็เดินจงกรมอยู่ดีก็เกิดเข้าใจเรื่องรูปนามบางท่านนะตามลมหายใจอยู่ดีๆก็สว่างเข้าใจเรื่องไตหลักขณะไหนเวลาไหนบอกไม่ได้ แต่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าหากว่าเรามองหรือตระหนักว่าแต่ละขณะนั้นมันใหม่อยู่เสมอมันไม่ซ้ำเดิมในการปฏิบัตินี้การอดทนรอคอยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันต้องใช้เวลา มีอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะอาจารย์โยนียอิชิอิเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรจุฬาสอนประวัติศาสตร์ท่านพูดภาษาไทยได้คล่องแต่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นที่รู้นะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีรวมนังภาษาโบราณบาลีสันสกฤตเทวนาครี ลาตินก็รู้มากชนิดใช้งานได้พูดได้คนก็ชมว่าท่านอัจริยะด้านภาษาแต่ท่านปฏิเสธท่านบอกว่าเป็นเรื่องความเพียรทั้งนั้นแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยการเรียนภาษาเนี่ยมันเหมือนกับการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วการเรียนภาษาเนี่ยจะให้เข้าใจภาษา ต่างประเทศเนี่ยไม่ต่างจากการเติมน้ำให้เต็มแก้วด้วยกระชอนเราคงรู้จักกระชอนนะที่ที่เขาใช้ตักพวกลูกน้าอะลองนึกดูนะว่ากว่าน้ำจะเต็มแก้วเนี่ยมันต้องตักกี่ครั้งเพราะว่าน้ำมันล่วนไหลคงเหลือน้าติดกระชอนแค่หนึ่งหยดสองหยดเท่านั้นแหละจะทำให้น้ำมันเต็มแก้วหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ อาจารย์ชีพบอกว่าเนี่ยเวลาเวราจะจำภาษาจะจำศัพท์ต่างประเทศแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เปิดดิกเดิกรเพิดดิกระเพิดกเปิดดิกระกรเปิดดิกระเดดกระเปิดกรเดกรเพิดดิกระเพิดดระเพิดดิกระเพิดดกระเพิดดกนะเพิดดิกระเพิกระเพดกะเพิดอ ก, วกวจะจระเพกระเพิดดิกระเพกระเพิะเพิดดพิดดิกเพิดดหกพดดิกเพินพินติกระเพิดดิกรเพิดรเพ ไอการเจริญสติของเราก็ไม่ต่างจา ก, กเรียนภาษาต่างประเทศนะเรียนภาษาต่างประเทศต้องอาศัยสติแต่เป็นสติแบบลกโล ก, โลกส่วนของเรานี่ใช้สติที่ว่าที่เราสัมมาสติคือรู้กายรู้ใจไม่ใช่ระ ล, ลึกเรื่องอะไรนอกตัวเลยรนะ ล, ลึกรู้หรือไม่ลืมกายและไม่ลืมใจ การปฏิบัติของเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากการเติมน้ำให้เต็มแก้วด้วยกระชอนความอยาเต็มแก้วก็อีกนานแต่ก็อย่าท้อนะเพราะว่าในขณะที่น้ำค่อยๆสติค่อยเติมลงไปในใจเราเทีละนิดทีละนิดมันก็มีความคืบหน้าอยู่การปฏิบัติทำเนี่ย เราต้องวางใจให้ถูกนะอย่าไปมุ่งอยู่ที่จุดหมายปลายทางเมื่อการเดินทางไกลเดินทางไกลนิดใครก็ตามที่ใจจดจ่ออยู่แต่จุดหมายปลายทางนี่จะเดินด้วยความทุกข์แต่ถ้าเดินด้วยการเอาใจอยู่กับปัจจุบันนะจะไม่ทุกข์นะอาจจะเพลินด้วยซ้ําเพราะว่าสองข้างทางนี่มันมีวิวถือท่าให้อาจิงโณงามให้ดูตลอดเวลา จุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันอันนี้เป็นเคล็ดลับของการเดินทางจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันไอการจะเลิกสวงบุญก็เหมือนกันนะจุดหมายจะอยู่อีกกี่ร้อยกิโลเมตรนะแต่ว่าคุณค่าความสําคัญอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่การฝึกขัดหัดขัดกลราวในแต่ละขนาดแต่ละขนาดคนที่ใจเลิกสวางบุญเดินเป็น หลายร้อยกิโลเขาไม่ทุกนะเพราะว่าเขาใจเขาอยู่กับปัจจุบันอาการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันนะใจอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางเขินไปจดจ่อตรงนั้นในที่สุดก็จะท้อแท้ง่ายๆเพราะว่ามันเอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะเห็นรูปหน้าสักที mm hmm. คนที่คิดแบบนี้ก็จะทําไม่ได้นาน หลายคนบอกว่ามาปฏิบัติเพื่อได้บรรลุนิพพานบองคนก็มาบวชแต่บวชได้ไม่กี่ปีก็สึกไปเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีนิพพานไม่แจ้งสักทีตลอดเวลาที่บวชสองสามปีก็อยู่ได้ความทุกข์หรือบางทีอยู่แค่สองสาเดือนก็ทุกข์เพราะว่าใจมันจดจ่อยที่จุดหมายต้องน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบัน หลวงพ่อคเข็งก็มัจะพูดว่ามันจะถึงต่อเมื่อมันถึงแล้วถ้ามันยังไม่ถึงอย่าไปสนใจมันนทําไปเรื่อยๆให้ถือว่าในขณะที่ทํานั่นแหละสะติมันก็ค่อยเติมก็ไปในใจทีละนิดทีละนิดเหมือนกับ น, น้ําที่เติมไปในแก้วทีละหยดทีละหยดและให้ถือว่าให้มองอย่างนี้ว่าในขณะที่เรา ปฏิบัติเราไม่ได้แค่ปลูกสติเท่านั้นแต่ว่าขอให้ปลูกฉันท่าในใจเราด้วยฉันท่านี่สำคัญมากนะฉันท่าคือความพอใจหรือความใฝ่ในการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสัมมาวายามะคือความเพียรชอบอย่างที่เราสวนเนี่ยทำความพอใจให้เกิดขึ้นปลกความเพียรประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังเพื่อจะป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นทำทาความพอใจเกิดขึ้นปรบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะรับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งทำความพอใจให้เกิดขึ้นปรบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะสร้าง กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและสุดท้ายก็ทําความเปลี่ยนประคองตั้งจิตไว้ทําความพอใจใเกิดขึ้นปลดความเปลี่ยนประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะทํากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลให้มากขึ้นสัมมาวยามะนี่มาเริ่มตน้นตรงที่ว่าทําความพอใจใเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เรียกว่าฉันทะ ฉันท่าแปลว่าความชอบที่ได้ทำก็ได้ถ้าเราปลูกฉันทาให้เกิดมีขึ้นนี่นะแม้ออกจากวัดไปเราก็จะยังปฏิบัติอยู่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการก็ตามฉันท่าสำคัญมากนะแม้ว่าจะยังไม่เกิดความรู้สึกตัวหรือเห็นรูปนามหรือว่าเกิดปัญญายานแต่ถ้า ฉันทะมากพอนี่มันก็นําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ฉันทะสําคัญสำห ร, รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่สําคัญสำห ร, รับการเรียนรู้ความใฝ่รู้เนี่ยก็คือฉันทะนั่นเองถึงแม้บางคนจะจบป .4 แต่ถ้ามีความใฝ่รู้นะก็มั่นใจได้ว่าความรู้ก็จะเจริญงอกงามมากขึ้นแต่จบ ปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาอีกแล้วไม่มีความใฝ่รู้เลยไอความรู้ที่มีอยู่ในหัวนั่นเนี่ยมันก็จะไม่มีวันงอกเงยขึ้นมาได้เลยเผลอๆมันจะหมดหดหายไปด้วยซ้ําหรือใช้การไม่ได้เพราะความรู้เป็นความรู้เก่าจบปริญญาตรีจบปริญญาเอกแต่ไม่มีความใฝ่รู้สู้จบปอสีแต่มีความใฝ่รู้ไม่ได้ จบปรสีมีความใฝ่รู้เนี่ยแม่ความรู้ตั้งต้นก็จะน้อยกว่าแต่ว่าเขาเรียนรู้อตลอดเวลาในที่สุดก็จะมากกว่าคนที่จบปริญญาเอกได้ซ้นานักปฏิบัติก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะบางคนเนี่ยเห็นอาจจะได้คุณวิเศษบางอย่า ง, างเช่นได้ความสงบหรือว่ามีสติรู้ตัวมากมายแต่ไม่มีความใฝ่ในการปฏิบัติในที่สุด สิ่งที่ได้มามันก็จะเลือนหายไปส่วนบางคนนะถึงแม้ว่าสติก็ยังจับหลักไม่ได้ความรู้ตัวก็ยังไม่ชัดแต่ว่ามีความไฟปฏิบัติก็มั่นใจได้ว่าในที่สุดนะก็จะเกิดพัฒนาการนะในทางจิตใจการภาวนาก็จะเจริญงอกงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่า ชันทะหรือความใฝ่ปฏิบัตินี่สำคัญที่เราควรจะปลูกให้มีมากขึ้นยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่คอยมีชันทะเอาไว้นะสำคัญมากเหมือนกับที่เราเรียนหนังสือถึงแม้เราจะรู้ไม่มากแต่คอยมีความใฝ่รู้เอาไว้อนาคตดีแน่ไม่รู้ไม่เป็นไรคอยมีชันทะเอาไว้ ให้ปลูกฉันท้าให้มีขึ้นในใจของเราฉันท้าคือความใฝ่ธรรมอย่าให้ตันหามันมาครอบงาใจเราฉันฉันท้าคือความใฝ่ธรรมตันหาคือความอยากได้ระหว่างความอยากได้กับการใฝ่ธรรมเนี่ยอะไรที่สำคัญกว่ากันนักปฏิบัติหลายคนทำด้วยความอยากได้อยากได้อยากมีอยา ก, อยากเอา งสิ่งที่อยากได้อย่างมีอยากเอาถึงแม้มันจะไม่ใช่รูปธรรมเช่นวัตถุเงินทองนะแต่ว่ามันเป็นปัญญายาณแต่มันก็ถ้ามันมาจากแรงจูงใจที่เป็นดั่งาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะมาปลูกฉันท่าคือความอยากทำดีกว่าอยากทำก็อยากได้ต่างกันอยากทำนี่แค่ได้ทาก็มีความสุขลว แต่อยากได้นี่ทำแล้วไม่มีความสุขนะจนกว่าจะได้ไม่อยากทำหรอกนะแต่ที่ทำเพราะอยากได้เหมือนกับคนที่ทำมาหาเงินถ่าทำงานเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากทำงานแต่อยากได้อยากได้เงินเอาเงินไปซื้อนอนซื้อนี่ไม่อยากทำแต่อยากได้เพราะฉะนั้นจึงทำด้วยความทุกข์ทำงานด้วยความทุกข์รอคอยวันเงินเดือนออก แต่คนที่มีความออยากทําเขามีความสุขทุกวันเขาไม่รอแค่วันที่สามสิบหรือวันเงินเดือนออกเขามีความสุขทุกวันเขามีความสุขทุกชั่วโมงส่วนเงินเดือนนั้นเป็นผลพลอยได้เราลองนะลองพิจารณาเห็นความแตกต่างนะนะคนทํางานเพราะ มีฉันทะกับคนทํางานเพราะแรงตันหาเนี่ยอะไรดีกว่ากันกับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะเราต้องปลูกฉันท้ายมีขึ้นอย่าให้ตันหามันมาเป็นใหญ่ครอบงําใจไอ้ที่ทำแล้วทุกเพราะว่ายังไม่ได้โน่นไม่ได้นี่สักทีเนี่ยก็เพราะทําด้วยตันหาไม่ใช่ทําเพราะฉันทะถ้าทำเพราะฉันทาแล้วเนี่ยมันสุขทุกวัน สุขทุกชั่วโมงมีความพอใจอยู่ตลอดเวลาและฉันทายเกิดขึ้นได้เพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติและใจอยู่กับปัจจุบันไม่ชะง้อไม่จดจ่ออยู่ที่จุดหมายที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นระวางใจในการปฏิบัติให้ดีนะเริ่มตั้งแต่การเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำซ้ำ แล้วก็แม้มันจะมีความเบื่อเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเนี่ยเบื่อนี่มันดีกว่าอารมณ์อื่นนะมันแปลว่าชีวิตเราอย่างปกติไม่มีความสูญเสียไม่มีความเจ็บปวยไม่มีใครมาทำอะไรเราแล้วก็ใจอยู่กับปัจจุบันแม้ว่าจุดหมายเราจะสูงส่งเพียงใดแต่แต่ใดที่มันยังเป็นอนาคต เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปลูกชันท้าให้มีขึ้นให้ได้เพื่อมาทดแทนตันหาชาตินี้ก็เพื่อเท่านี้กรับคระ